เวลาตีสี่ของวันรุ่งขึ้นพระมหาบุญเดินไปส่งท่านพระครูอย่างพระอุโบสถพระหนุ่มบังเกิดความห่วงหาอะไรในท่านสมภารรู้สึกสังหรณ์ใจและหวั่นวิตกว่าเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอาจจะมรณาภาพเสียที่ในโบสถ์คงไม่มีโอกาสได้ไปพบหลวงพ่อในป่าอย่างแน่นอนการบอกเล่าของท่านพระครู เกี่ยวกับพระในป่าทําให้ท่านเกิดความชงนสนเท่กึ่งเชื่อกึ่งสงสัยท่านพระครู บ, บอกว่าตอนพบกับพระในป่าหลวมพ่อรูปนั้นอายุอยู่ในราวเจสเวลาผ่านไปตั้ง20สิบปีเจียงคงดํารงสังขารอยู่หรือหรือว่ามีผู้ประสงค์ร้ายต้องการจะลวงเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปสังหาร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 ที่มีโอกาสได้รับใช้ชาติโดยการทําหน้าที่แทนผมอย่าห่วงไปเลยสิ่งที่ท่านคิดตั้งแต่ออกจากกุฏิมาถึงโบสน่ะล้วนเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นไม่มีใครเขาคิดจะฆ่าจะแกงผมหรอกแล้วเรื่องหลวงพ่อในป่าก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระอย่างที่ท่านเข้าใจ แต่ผมเป็นห่วงหลวงพอ่อนี่ครับมันสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลพระหนุ่มยังคงยืนกรานท่านมหาผมโ ต, โตแล้วนะแล้วผมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานถึงสี่สิบ้าปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากผมมั่นใจว่าการทุ ด, ดงในครั้งนี้ ผมจะได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมที่ชนทั้งหลายปราถนาใคร่ลิ้มลองท่านอย่าได้ห่วงผมเลยแต่เอาเถอะในเมื่อชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ได้เพราะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นและปรวนแปรไป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 ผมจะปิดประตูลงด่านไว้เพื่อป้องกันคนมารบกวนขอบคุณมากที่มาส่งและถ้าหากเราจะไม่ได้พบกันอีกผมก็ขออโหสิ ก, กรรมแก่ท่านหากมีสิ่งใดที่ผมเคยล่วงเกินท่านไว้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัตถกกรรมหรือมนโนกรรม ขอท่านจงงดโทษให้ผมด้วยและผมก็ขออโหสิกรรมแก่ท่านเช่นกันพระมหาบุญได้ฟังดังนั้นก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ท่านพระครูพูดเหมือนจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายภิกษุหนุ่มจึงคิดเอาเองว่าสมภารวัดป่ามะม่วงจะต้องมรณภาพอยู่ในโบส์หลังนี้ อย่างแน่นอนท่านมหาลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกนะยิ่งท่านเป็นบรรพชิตมาทำเป็นคนเจ้าน้ำตายิ่งไม่น่าดูเลยผู้อา ว, วุโสกวาดติ่งทำไมผมจะร้องไห้ไม่ได้ที่พระ อ, อ น, นุท่านเป็นถึงพระโสดาบันก็ยังร้องไห้ ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานพระลูกวัดอ้างพระ อ, อนุน์เป็นตัวอย่างที่ท่านพูดมานั้นก็ไม่ผิดหรอกจริงอยู่พระอริยบุคคลระดับต้นเช่นพระโสดาบันและพระสกทาคามีท่านยังดับทุกข์ได้ไม่สิ้นเชิง จึงแสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏแต่ชั่วประเดียวเดียวท่านก็ระงับความโศกได้ไม่พิริพิไรรำพันเหมือนท่านหอกเอาเถอะถ้าท่านยังอยากจะร้องไห้ก็นิมนต์กลับไปร้องต่อที่กุตติผมจะเข้าผลสมาบัติเพราะเลยเวลามาก้านาทีแล้ว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 ห้อยคของท่านพระครูยิ่งเรียกน้ำตาของพระมหาบุญเป็นทวีคูณท่านก้มลงกราบแทบเท้าสมพาน3สามครั้งแล้วรีบลุกออกไปท่านพระครูลงด่านประตูเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาคุกเข่าเฉพาะพระพักพระประธานในโบสถ์กราบพระสวดมนต์ธรรมวัดเช้า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 กำหนดลมหายใจเข้าออกกระทั่งจิตที่เป็นกามาวจรเปลี่ยนเป็นรูปาวจรเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุธาฌานจิตดื่มดำอยู่ในชาณจิตนั้นโดยไม่รับรู้โลกภายนอกและจะเป็นอย่างนี้ตลอดเจ็ดวัน ตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้พระมหาบุญเฝ้านับวันนับคืนรอเวลาที่ท่านพระครูจะออกจากสมาบัติท่านหมั่นสวดมนต์ภาวนาขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมาปกป้องคุ้มครองท่านพระครูขออย่าให้ต้องมรณภาพอยู่ในโบท์เลยเพราะท่าน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 ราวกับแบกภูเขาไว้บนบ่าเห็นป่านชนี้แล้วใครเลยอยากจะเป็นครั้นจะให้เป็นสมภา์ประเภทเช้าเอนเพนนอนเย็นพักผ่อนค่ำจำวัดท่านก็ละอายแก่ใจเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้ตอนพบคำ่ำพระมหาบุญ จะเดินไปสังเกตการอยู่แถวๆถวพระอุโบสถบางครั้งก็พยายามขยเยิขยงอยู่บริเวณหน้าต่างเพื่อจะดูว่าท่านพระครูยังนั่งอยู่ในนั้นหรือไม่ทว่าหน้าต่างโบสถ์สูงเกินกว่าที่ท่านจะมองเข้าไปได้ครั้นจะปีนขึ้นไปดูให้รู้แน่ก็เกรงว่าจะมีคนมาเห็นและเกิดซักไซ้์ต่ถามขึ้น เรื่องก็จะไปกันใหญ่จึงต้องเก็บความวิตกกังวลไว้แต่ผู้เดียวตลอดเจ็ดวันเวลาตีส <loose> <ÿÿÿÿÿÿÿÿ ladı> ี่กับ9นาทีของวันที่9พฤศจิกายนท่านพระครูกำหนดออกจากสมาบัติท่านรู้สึกอ่อนเพลียจนลุกไม่ไหวขาทั้งสองในท่าขัดบัลลังก์ดูเหมือนขัดกันแน่น และแนบสนิทจนขยับไม่ได้ตอนอยู่ในสมาบัติท่านไม่รู้สึกถึงทุกขเวทนาใดๆแต่เมื่อออกจากสมาบัติแล้วความเจ็บปวดปรากฏทั่วสารพา n นอกจากนี้ยังต้องพะจนกับความหิวความกระหายเพราะไม่ได้ฉันน้ำและอาหารมาเป็นเวลาเจ็ดวันเต็มพระมหาบุญบอกพระลูกวัดไว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 ดูวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเย็นไม่ไหวแล้วล่ะท่านหลวงพ่อพูดเป็นลางๆเหมือนกับว่าท่านจะต้องมอรณาภาพอยู่ในโบสถ์อย่างนั้นแหละถ้าท่านได้ฟังอย่างที่ผมฟังก็ต้องวิตกกังวลเช่นเดียวกับผมหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้นเราก็พังประตูเข้าไปเลยดีไหมเพื่อจะช่วยท่านได้พระรูปเดิมออกความเห็นอย่าเลย เพราะท่านกำชับนักกำชับนาว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบ ก, กวนถึงอย่างไรก็ต้องรอให้ถึงตีสี่ก้านาทีเสียก่อนพระมหาบุญไม่เห็นด้วยถ้าเช่นนั้นก็สวดมนต์เอาใจช่วยท่านกันเถอะพระอีกรูปหนึ่งเสนอนิมนต์พวกท่านสวดเถอะส่วนผมไม่มีแกจิตกระใจจะทำอะไรทั้งนั้นจะนั่งนับเวลานาทีอยู่อย่างนี้แหละ พระมหาบุญพูดอย่างหมดอาลัยตายอยากหลุงพี่ครับถ้าผมเป็นหลุงพี่ผมจะไม่ทําอย่างที่หลุงพี่ทําอยู่ในขณะนี้หลุงพี่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้หลุงพี่กลับทําใจไม่ได้ขอโทษนะครับที่ผมพูดตรงๆผมอยากให้หลุงพี่มีสติมากกว่านี้จะได้ไม่เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานจริงอยู่เรื่องการเกิดการตาย อาจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับนักกรรมฐานมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเพราะคนเราเวียนเกิดเวียนตายกันไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติในสายตาของนักปฏิบัติการเกิดการตายเป็นเรื่องเล็กการไม่เกิดไม่ตายนั่นต่างหากเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องเข้าให้ถึงจริงของท่านขอบคุณที่ให้สติผมนี่ถ้าท่านไม่พูด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 หรืออาจจะถึงแล้วก็ได้หรือแต่พวกเราที่ต้องเร่งทำความเพียรกันให้มากๆจะได้ตามท่านทันพระมหาบุญเพิ่งจะได้สติหลังจากที่ตรอมตรมมาถึงเจดวันกระนั้นน้ำหนักของท่านก็หาลดลงไม่เพราะท่านมีปกติอยู่อย่างหนึ่งคือหากกลุ้มอกกลุ้มใจท่านจะฉันได้จำวัดหลับ ก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกสามกิโลกรัมกับอีกสามขีดเวลาตีสี่กับ9นาทีท่านพระครูก็ยังไม่เปิดประตูออกมาพระมหาบุญจึงตะโกนเข้าไปว่าลุงพ่อครับช่วยเปิดประตูด้วยครับภิกษุทุกรูป รู้สึกใจจดใจจ่ออยู่ที่ประตูรอว่าเมื่อไหร่มันจะถูกเปิดออกมาห้านาทีผ่านไปทุกอย่างยังอยู่ในความเงียบสงบพระมหาบุญจึงตะโกนเข้าไปใหม่ลุงพ่อครับช่วยให้สัญญาณผมด้วยลงพ่อยังอยู่ในนี้หรือเปล่าครับถ้าอยู่ก็ให้ตอบว่าอยู่คำเดียวก็พออยู่ ท่านพระครูพยายามเปล่งเสียงออกมาทว่าเสียงนั้นทั้งแหบทั้งแห้งจึงไม่อาจเล็ดลอดออกมาให้คนข้างนอกรับรู้ได้หลุงพ่อครับผมจะพังประตูเข้าไปนะครับพระมหาบุญตะโกนเข้าไปอีกท่านพระครูอยากจะตะโกนออกมาว่าอย่าเพิ่งหากก็รู้ว่า คนข้างนอกจะไม่ได้ยินจึงไม่ตะโกนท่านกำหนดจิตตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีเพื่อรวมพลังแล้วค่อยๆลุกขึ้นรู้สึกหน้ามืดตาลายวิงเวียนสีสษะจนต้องนั่งลงอีกเสียงคนข้างนอกกำลังช่วยกันพังประตูท่านจะต้องลุกขึ้นไปเปิดก่อนที่ประตูพระอุโบสถจะได้รับความเสียหายภิกษุวัยสี่สิห้า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 ทำไมไม่ให้เสียงผมพระมหาบุญถามเพราะไม่มีเสียงจะให้นะเซท่านพระครูตอบหากเสียงอยู่ในลําคอพระมหาบุญจึงไม่รู้ว่าท่านตอบว่าอะไรนิมนต์หลวงพ่อไปพักผ่อนเถอะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง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 ก็ต้องออกเพราะเป็นหน้าที่วันนี้ฉันจะไปบิณฑบาตบานโยมโถอยากให้แก่ได้บุญใครที่ทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากสมาบัตจะได้อานิสงส์แรงถ้าเช่นนั้นผมก็ได้ก่อนใครเพื่อนเพราะผมถวายน้ำปานะหลวงพอ่อ แล้วเธอจะได้อา น, นิสงฆ์มากกว่านั้นอีกเพราะจะต้องทำหน้าที่แทนฉันถึงสองเดือนฉันเช้าแล้วท่านจะออกทุดงเลยท่านพระครูบอกกล่าวหลวงพ่อยังดูอิดโรอยู่เลยนะครับผมว่าพักผ่อนสักสองสาวันรอให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ค่อยไปไม่ดีกว่าหรือครับพูดอย่างเป็นห่วงด้วยเกรงว่า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 ไม่ห่วงลุงพ่อแล้วผมจะห่วงใครล่ะครับแต่เห็นลุงพ่อไม่เครียดแล้วผมก็สบายใจส่วนเรื่องซ่อมประตูโบสถผมจะจัดการให้เรียบร้อยเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่เครียดก็ลุงพ่อพูดกับผมว่าทันเธอตอนจะเข้าสมาบัติลุงพ่อใช้คำว่าผมท่านผมไม่สบายใจเลยเป็นทุกข์อยู่ตั้งเจ็ดวัน เพิ่งจะคิดได้ก่อนลุงพ่อจะออกจากโบสถ์ไม่กี่นาทีเองทีนี้ผมจะไม่ให้จิตตกอีกแล้วพูดด้วยความรู้สึกปล่อยวางผมขออนุโมทนากับท่านด้วยที่ทำใจได้ลุงพ่อเครียดอีกแล้วหรือครับทำไมท่านถึงคิดว่าผมเครียดละ่ะ ก็หลวงพ่อพูดผมท่านอีกแล้วนี่ครับจะพูดทั้นเธอหรือผมท่านมันก็เป็นเพียงสมมุติบัญญัติเท่านั้นอย่าใส่ใจกับสิ่งสมมุตินักเลยเอาละ่ะผมจะขึ้นไปจำวัดสักหนึ่งชั่วโมงเพราะหิวเหลือเกินความหิวก็เป็นทุกอย่างหนึ่งนะ การหลับจะช่วยให้บรรเทาทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้ถ้าเช่นนั้นก็นิมนต์เลยครับพระมหาบุญกล่าวและลุกออกไปเปิดประตูให้ท่านท่านพระครูค่อยๆลุกจากอาสนะเดินไปขึ้นบันไดเมื่อถึงชั้นบนจึงเดินไปยังที่นอนซึ่งห่างจากหัวบันไดเพียงสามเก้าแล้วเอนกายลงนอน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 ใช้เวลาประมาณ20สินาทีจากนั้นจึงออกบินทบาทโดยมีนายแดงหิวบินโตเดินตามหลังส่วนนายขาวมีหน้าที่ทาความสะอาดกุฏิบางวันก็เปลี่ยนเวรกันโดยนายขาวหิ้วบินโตเดินตามสมภารส่วนนายแดงทำความสะอาดกุฏิท่านพระครูตรงไปยังบ้านนางโถเพื่อจะให้แกได้ทำบุญกับท่าน การทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมบัตินั้นอานิสงแรงแต่นางโถบุญน้อยแก่เพิ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็กซึ่งคลอดลูกอยู่บ้านแม่ผัวที่บ้านแป้งและนอนค้างที่นั่นจึงพลาดโอกาสทองอย่างน่าเสียดายยิ่งผู้ที่ใส่บาตรคนแรกเป็นหญิงสาวอายุอยู่ในราว2ี่สบเศษเศษบ้านหล่อนเป็นกระท่อม อยู่ถัดบ้านนางโถไปสองหลังแม้จะยากจนขัดสนหล่อนก็อุตสาใส่บาททุกเช้าท่านพระครูมองหน้าหล่อนก็รู้ว่าภายในเจ็ดวันหล่อนจะได้สามีเป็นลูกชายเศรษฐีเศรษฐีจากอำเภออินจะมาเก็บหนี้คนแถวนี้และเกิดถูกตาต้องใจหล่อนจึงมาสู่ขอไปเป็นสะพ้ยเขามีลูกชายคนเดียวและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาล ชนิดที่กินไปตลอดชาติก็ไม่หมดหญิงสาวจะได้เป็นพัญญาเศรษฐีเพราะอานิสมที่ทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมาบัติก่อนออกธุดงท่านพระครูพูดกับนารีผลสองร่างว่าอาตมาจะออกธุดงเป็นเวลาสองเดือนเธอทั้งสองช่วยเฝ้ากุติให้ด้วยนะ แล้วก็อย่าไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมเขามาอยู่วัดก็ให้ทำบุญอย่าไปทำบาปซากทารกชารานอนสงบนิ่งเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวหากท่านพระครูรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกหล่อนรู้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะไปไหนหรือทำอะไร